ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมัจจิมานิกายจุลกรัมรมะวิพังคสูตรเล่มที่14ข้อที่4รยเจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมานบโตทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตื่นทีประทับแล้วทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภมานบโตทยบุตร เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมาก มีโรคน้อยมีผิวพรรณสามมีผิวพรรณประณีตมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาข้าแต่ท่านพระคดมผู้เจริญไรหนอแลเป็นเหตุ เป็นบจจใจที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่นั้นปรากฏความเลวและความประนีตพระชาาักค่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกองตนเป็นทาญาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย คำย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประนีได้ข้าแต่ท่านพระกกลมผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่ทราบเนื้อความในรายละเอียดของคำสอนที่พระองค์ทร ง, สงแสดงโดยยอด่อนี้ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความ แห่งคำสอนนี้ในรายละเอียดด้วยเถิดมานพถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อสุภามานกโตเทยบุตรทูลรับคำดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปดังนี้ว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามแต่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดปากใจมั่นในการฆ่าตีไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้ร่างร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปถ้าไม่เข้าถึงอบายทุขติวินิบาตหรือนรกและถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณนะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสัน้นมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทมชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดปากใจมั่นในการปราดประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามและปานาธิบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาธิบาตวางอาจยาและศาตราได้แล้วมีความละอาย ถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในปลายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืนมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาธิบาทแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาธิบาทวางอาญาและศาสตราได้มีความละอายถึงความเอนดูเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนบบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือตอ้นไม้หรือสาตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกกติวินิบาตดนรกเพราะก น, น, นั้นั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาทหรือนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมษย์ปฏิปทาที่เป็นไปพร้อมเพื่อความมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือ่้นไม้หรือสาตร์ มโนบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตราเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นนั้นอันเขาให้ร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้อนไม้หรือสัตว์ราหลาด บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเมื่อเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแกนเคืองทูกเขาว่าเล็กน้อยก็ ข, ขัดใจโกรธเคืองพยาบามาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความขึงเคียดให้ปรากฏเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติ วินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นนั้นอันเขาให้พร้พรอมจะมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวผันชามมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันชามนี้ คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแกนเคืองถูกว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมากร้ายทำความโกรธความร้ายความขึงเคียดให้ปรากฏมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามหรือบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแกล้เกืองถูกเขาว่ามากก็ไม่กัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความขึงเครียดให้ปรากฏเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ประกรรนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมถทานไว้อย่างนี้ แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสมโนบปฏิปตาที่เป็นไปเพื่อผู้น่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มากโกรธไม่มากด้วยความแกนเคืองทูเขาว่ามากก็ไม่กะใจไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาทไม่มากร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเขียดให้ปรากฏมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษ ย, า ย, ย า, าย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเรบ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นก็เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมนป์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายปลูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่น าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามแต่เป็นผู้มีใจไม่อริสยาย่อมไม่อริสยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อเขาตายไป จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้ร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมโนปปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดา์มากนี้ คือมีใจไม่อริสยาย่อมไม่อริสยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสาการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ให้ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแกสมณะหรือปรมเมื่อเ่าตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคาหน่อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคาหนอยนี้คือการไม่ให้ข้าว ไม่ให้น้ำไม่ให้ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลาที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีบแกสมณะหรือปรมมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำผ้า ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือปรมเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้ร่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโผกามากมานบปฏิปตาที่เป็นไปเพื่อมีโปคะมากนี้คือการให้ข้าวให้น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือปรมมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ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 อันเขาให้ร่งป้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลตำ่ำมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้าง ย่อหยิง i, er ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สการะคนที่ควรสการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชา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 สการะคนที่ควรสการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมจะมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุกติ โลกสวรรค์แต่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระต้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับ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 ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้ร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกแล้ว ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามมโนปฏิปทาที่เป็นใบเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรมแล้วสอบตามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอ ก, กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสภอะไรไม่ควรเสภอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานพบุบคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือปรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสอบถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษสอบถามว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพสอบถามว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระกรรมนั้นอันเขาให้ร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์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 ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุส um ั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความที่เป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซ้ย่อมนำเข้าไปสู่ความที่เป็นคนมีผิวพรรณซ้ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีสักดาน้อยปฏิปตาที่เป็นไปเพื่อความมีสักดามากย่อมนำ้าไปสู่ความที่เป็นคนมีสักดามากปฏิปตาที่เป็นไปพร้อมเพื่อความมีโพคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภรค้าน้อยปฏิปตาที่เป็นไปเพื่อมีโปรคามาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโพคามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสาม ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสวรทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นตาญาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กำย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภะมานพโตเยบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยปริยายไม่ใช่น้อยเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่มอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีบไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งกับพระธรรมและหมู่พิกสุว่าเป็นสารณะขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดจุลกัมมะวิผังกสูตรจบฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ